พอจิตอยู่กับปัจจุบันนี่มันแค่ว่ามันมันได้เห็นความจริงชัดอ่ะมันไม่ต้องนึกต้องคิดเห็นแล้วมันจบเห็นแล้วมันจบฟังแล้วมันจบสัมผัสแล้วมันก็จบแต่ถ้าจิตไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเห็นสัมผัสอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะมันไปเอาอดีตอนาคตมาเพราะอย่าลืมว่าข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเนี่ยมันจะต้องดึงอดีตอนาคตมาเรีวเป็นเมมโมรี่แต่ถ้าหากว่าไม่มีอดีตอนาคตเนี่ย คิดไม่คิดไม่ได้เพราะมันไม่มีข้อมูลมันก็เป็นเหตุให้ข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้นานแสนนานไม่รู้กี่ชาติมันก็ขึ้นมาทำงานพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่ามีทางเดียวที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เก็บมาทั้งอดีตอนาคตเข้ามาทำงานกบกวนจิตก็คือต้องสัมผัสปัจจุบันให้มาก การที่จะสัมผัสปัจจุบันให้ชัดเนี่ยมันแคต้องมีสติสมัมปชัญญะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นการฝึกเป็นหลักก็คือการฝึกสติสัมปชัญญะทีนี้พอฝึกสติสัมปชัญญะมันก็มีรูปแบบเยอะแยะไม่ว่าทั้งเป็นเถราวาตมหายานทั้งในเทระวัตเองก็มีไม่รู้กี่ตระกูลที่ฝึกสติสัมปชัญญะคือรูปแบบต่างๆนะใช้เสียง เป็นที่ตั้งสี่พิษะ่ังใช้รูปเป็นที่ตั้งสีสัมยะบังใช้กลิน่นใช้รสใช้สัมผัสใช้อารมณ์ใช้นิมิตอะไรต่างเป็นที่ตั้งของสี่ัมยะสิมุตก็กลายมาเป็นตัวทิฏฐิเป็นลทัทธิเป็นสำนักอะไรขึ้นมาด้วยอาศัยวิธีการนั่นแหละมาเป็นตัวหนึ่งสติสัมยะก็ถึง สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างถูกบ้างผิดบ้างตามที่เราฟังฟังศึกษามาเนี่แต่มาก็ได้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มานานนะจนมาทั้งปี2520มาพบเพราะว่าก็ปลายปี29งปลายปี19ึ่้ามาพบหลวงพ่อเทียนแล้วมันก็เริ่มเริ่มสนใจนะยังแต่ก็ยังรับไม่ได้แต่ยังสนใจว่าทําไมไม่เหมือนเพื่อนนะ เพื่อนเขาใช้ลมหายใจใช้อย่างอื่นเป็นนิมิตแต่ทำไมนี่ใช้การเคลื่อนไหวก่อนหน้ามันก็มีการเคลเคเเคเเคื่อนไหวแบบอาจารย์แป้นธรรมทะโลก็เคลื่อนไหวเเดิเคลื่อนไหวแบบนี้ก็มีการเคลื่อนไหวแบบช้าๆมีอยู่แล้วนะแต่ว่าที่หลวงพ่อเทียนต่างเพื่อนก็คือเอามาปรับใช้ให้เป็น เรื่องของชีวิตคือไม่ใช่เรื่องที่จะเคลื่อนไหวเฉพาะในรูปแบบเท่านั้นแม้แต่เรื่องของชีวิตทั้งหมดซึ่งมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพราะให้ท่านให้นิยามว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็คือเป็นผลพวงของชีวิตที่มันเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วมันก็ต้องการระบายทุกข์ออกกายวางวาจาบาง ระบายทุกข์ออกก็ในลักษณะที่เป็นเป็นเป็นพฤติกรรมระบายทางจิตด้วยการคิดระบายทางวาจาด้วยการพูดระบายทางากายด้วยการเคลื่อนไหวด้วยการกระทำนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยการระบายของทุกข์เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวสร้างปัญหา แต่พอมีสติปัญญาเข้าไปประกอบการระบายของทุกออกมาการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไปโดยสร้างธรรมสร้างปัญญาสร้างแสงสว่างเพราะฉะนั้นตัวสติปัญญาคือคือการปรับสมดุลเหมือนกับไอไฟฟ้าที่ว่าเมื่อันก่อนถ้ามันเกิดความไม่สมดุลขั้วบวกขั้วลบมันต่างกันมันก็จะเกิดการชอ็อตหรือการไม่มีกําลังแต่พอปรับขั้วบวกขั้วลบมันทํางานถูกต้องสัมพันธ์กันเป็นถูกต้อง มันก็กลายกลายเป็นแสงสว่างกลายเป็นพลังงานมันเป็นเรื่องเดียวกันนะทีนี้เมื่อหลวงพ่อเทียนท่านมาสัมผัสเรื่องนี้ปั๊บท่านท่านมานิยามใหม่ก็คือว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นการลำเลียงเป็นการลำเลียงหรือเป็นสื่อให้เกิดสติสัมยะเท่านั้นไม่ใช่เป็นเป็นนิมิต ของสมาธิหรือเป็นนิมิตของความพลังขลังศักดิ์สิทธิ์หรือพลังอำนาจอะไรต่างๆนี่อันนี้คือที่หลวงพ่อเทียนต่างจากคนอื่นนะว่าใช้การเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นเครื่องมือให้เกิดสติสัมปัะเพราะสติสัมปัญะนั้นเป็นเป็นความหมายของคาว่าปัจจุบันนะทีนี้ก็เมื่อมา รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวว่าจะต้องใช้เป็นเครื่องมือให้ลําเลียงสติสัญญาเข้าสู่จิตท่านก็เลยมันเน้นว่าใน ง, งั้นการเคลื่อนไหวที่ทํานี่ก็ไม่จําเป็นต้องการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบอย่างเดียวแม้แต่นอกรูปแบบก็สามารถลําเลียงสติสัญญาได้ก็เลยการแอพพลายรูปแบบออกมาเป็นการเคลื่อนไหวสากลก็จึงกระจายออกไป เอามาว่ามันน่าจะหลังยุคหลวงพ่อเทียนเนี่ยที่สำนักและครูบาอาจารย์ต่างๆได้กระจายเรื่องนี้ออกไปสู่การเคลื่อนไหวว่าในชีวิตจริงชีวิตจำวันก็สามารถที่จะสร้างสติสัมยะได้ด้วยการเข้าไปตามรู้ตามสังเกตอาการการเคลื่อนไหวนี่ให้ชัดๆสติสัมยาปรากฏชัดจิตก็ต้องมามาอยู่มารับรู้เพราะจิตมันมี <c oughs> มันมี ขณะทีละขณะทีละขณะทำงานทีและขณะขณะแต่ใ น, นเมื่อความใส่ใจดึงจิตนเะมื่ออยู่กับขณะปัจจุบันปั๊บเนี่ยมันก็ไปทํางานเรื่องอื่นไม่ถนัดละไปสร้างอาดีตอนาคตก็ไม่ถนัดละถึงแม้มันจะมีความถี่สูงก็าตามแต่ว่าเมื่อมันเน้นตัวสติสัมยะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมากกว่าจิตของเรามีความถี่สูงสามารถที่รับรู้ละขณะเดียวถึง6ถึง6ขณะ ท่นใช้คำว่าเจ็ดชวนาจิตเนี่ยเจชวนาจิตหมายมมารับรู้ตัวของมันเองด้วยเนี่ยถึง7ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสติสมิญญาเป็นชวนะที่7ชวนะที่1การรับรู้ทางตาชวนะที่สองการรับรู้ทางเสียงข้างหูชวนะที่สมรับรู้ทางกลิ่นที่เกิดดางจมกูกชวนะที่สี่รับรู้ทางลิ้นที่สัมผัสรูชวนะที่ห้ารับรู้ทางกายที่สัมผัสเย็นแล้วนองแข็ง ชวนะที่หกรับรู้ถึงสัมผัสความคิดและอารมณ์ชวนะที่เจ็ดนี่เองเป็นชวนะของการตัวรู้โดยเฉพาะไม่ <c oughs> ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงคิดด้วสัมผัสอารมณ์แต่มันเป็นตัวรู้ของมันโดยเฉพาะเพราะจิตมีเจ็ดชวนะแต่ส่วนใหญ่เราก็อยู่แค่ในวิธีของ6กชวนะรูปเสียงคิดด้วสัมผัสอารมณ์เท่านั้นแต่ชวนะที่เจ็ดเราไม่รู้แต่มันปรากฏในอภิธรรม เวลพระเรียนวิธรรมจะรู้ว่าจิตมีเจ็ดชาวนะใช่ไหมห้ยามามีมีสภาวะเล่นไปสู่อารมณ์มีเจ็ดแต่มีมีชาวนะสุดท้ายชาวนะทียดคือตัวมาอยู่ปัจจุบันมันไม่ต้องไปเล่นรับรู้ต่ออัจฉริะภายนอกทั้งหกจึงอยู่เหนืออัตฉยะจึงอยู่เหนืออัจฉะ ดังนนในจุดเนี้ยจึงอยากจะให้เรารู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้ที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ไหนพูดถูกใจถูกต้องก็เชื่อไปหมดไม่ใช่เราจะต้องหาที่ไปที่มาที่ที่เป็นเหตุผลรับรู้ได้อะอะไม่ใช่ว่าเราดูแล้วน่าเชื่อถือจริงแล้วก็เชื่อไปโดยที่เราไม่ได้พิสูจน์มันไม่ถูกอันนั้นเองเมื่อม า, ม, ามาสัมผัสอย่างนี้แล้วก็เริ่มเริ่มใส่ใจต่อการ เคลนไหวแต่ละขณะแต่ก็ยากมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับความเคยชินมาไม่รู้กี่พ ก, กี่ชาติถราว่ามาชาตินี้อีกช่างชาติตลอดชีวิตเนี่ยนะเราเพิ่งมาสัมผัสเรื่องเนี้และตลอดตั้งแต่เราเกิดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่กับความเคยชินมาตลอดใช่ไหมถ้าอายุเราอะ่พาะพ่อแม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่ามันยากขนาดไหนอนะ่แต่พุทธเจ้าบอกมันมีทางภายใต้ความพยายามเนะี่ยมันมีทางนะเพราะฉะนั้น ในศาสนาของพระพุทยเาท่านเืมนเน้นความเพียรขอให้เพียรก็แล้วกันใน อ, อื่นมันจะเกิดตามมาหมดนะฮะก็เลยท่านใช้ภาษาของท่านว่าเวริเยนะทุกขมะจิติคําพูดที่นี้คุณดีภาษีภาษีนี้ใช่ไหมว่าคนเราจะพ้นทุกข์พ้นปัญหาได้อย่างโดยความเพียรเท่า น, นั้นนะท่านไม่ใช้คำว่าสติปัญญายานวิปัสนาไม่มีท่านใช้คําว่าเพียรคําเดียวมันจะพน้นทุกข์นปัญหาได้นะ เป็นนั้นยังไงก็ขอให้เพียนเอาไว้ก่อนนะแล้วเพียนตัวนี้เองมันจะไปแก้มันจะไปแก้ความเคยชินทั้งหมดนะเพียนจนก็ทั่มันเกิดมิติใหม่ของของตัวรู้เพียนที่จะออกมาจากชาวนะทั้งหกอ่ะให้มาอยู่ชวนะที่เจ็ดคือความรู้สึกตัวนะอาจารย์กุ้ยเคยพูดเป็นอุปมาเหมือนว่า ในถ้ำเนี่ยมันมืดมาตั้งแต่มันเกิดไม่รู้กี่ล้านปีนะแต่วันใดวันหนึ่งคนนำสปอร์ตไลท์เข้าไปเนี่ยไอ้ความมืดที่สั่งสมมาเป็นละล้านปีมันหายแป๊บไปเดียวในบัดดลเลยว่างั้นเถอะทั้งที่มันสั่งสมมาเป็นละล้านปีเนี่ยไอ้ความเคยชินที่เราสั่งสมมากี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตามเนี่ยพราะแสงสว่างของสปอร์ตไลท์ของวิปัสนาญาณที่เกิดจากสิจงมีชีวิเข้าไปแป๊บเดียวพลิกได้เล ย, เยอ่าแบบใครแบบท่านอุคลิมานเนี่ยใช่ไหมสั่งสมความเป็นฆาตกรมาเท่าไหร่ พอโดนแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำํำเราทําตามจิตของท่านพลิกจากโจรเป็นพระรหันต์นะใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างว่ามันเป็นไปได้ดังนั้นเมื่อมาเข้าใจถึงมิตินี้แล้วเราเราไม่ควรท้อว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะเรามีความเคยชินสูงเนี่ยแต่ถ้าเรามีความพยายามเปลี่ยนความเคยชินให้เป็นความรู้ตัวนะมันก็พลิกได้ทันทีเลยพลิกชอ็อตต่อชอ็อตช็อตต่อชอ็อตต่อชอ็อตไปไม่ว่าความเคยชินมันสั่งสมมากิน มูลกี่สชาติก็ตามแต่ขอใหอ้ใส่ใจต่อการตามรู้เนี่ยให้ชัดๆทุกกรณีกรณีนะไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนนะไม่ใช่ว่าจํากัดชาวพุทธนะทุกชาติเลยทุกคนที่ ท, ท, ที่มีสติมีญาปกติเว้นแต่คนเบื่อบ้บาใบเสียจริตแม้แต่คนใกล้บ้าใบเสียจิตก็สามารถพลิกได้อย่างนางปต aja ล า, า, าใช่ไหมที่ว่ า, าพาลูกพา สามีพาตัวเองไปที่จะไปเกิดลูกบ้านพ่อบ้านแม่ในสมัยนั้นตัวเองก็มีท้องอยู่แล้วท้องแก่อยู่แล้วจะเป็นลูกอดลูกคนที่สามที่บ้านพอไปถึงข้ามน้ำพอน้ำมันหลากมานีไม่ทันแม่น้ำมันกว้างแับพัดแล้วลูกไอ้สามีขโมยไปหา อ, อะไรล่ะ สามีตายก่อนแล้วที่ว่าคืนนั้นก่อนที่จะถึงแม่น้ําฝนตกใช่ไหมเราพอฝนตกน้ํามันก็หลากแต่สามีตอนคืนที่ฝนตกอสามีเนี่ยโมไปหาไอ้พวกใบตรงใบตองมาทําที่มุงที่บงังสมัยนั้นนั้นมีล่มไม่มีอะไรไงใช่ไหมก็ไปดูงูเห่ากัดตายเมียก็ไม่รู้ปราชา์ราก็ไม่รู้ทําไมหายไปไหนไปหายที่ร่มที่มุงที่บงังไม่กลับมาเลยที่แกก็เสียใจ ใหญ่ๆก็จะเป็นต้องเดินทางต่อเพราะแกรู้ทางอยู่พอเดินตอนที่ฝนมันตกทั้งคืนก็เอาลูกคนทีนี้ก็ปรากฏว่าพอไปถึงกลางแม่น้ําม่น้ํามันมา อ, อย่างเงี้ยไอ้วไอ้กามันล่อนอยู่ข้างบนมันเห็นไอ้ลูกแดงๆนอนอยู่ก็ปรากฏว่าก็ไล่ไล่อยู่ยายกาไอ้ยกมือไล่อยู่ยายกาก็นึกว่าไอ ดูอีกคนโตอีกคนก็นึกนแม่มันกลัวเรียดนะมันก็วิ่งไปหาแม่ก็ลงน้ำปลอมไปเลยเดี่ยวกาาก็เฉียวลูกไปตัวเองก็เป็นบ้าเลยบ้าก็เลยเตลิดเปิดเปิงมาจนกระทั่งมาถึงพระเชตวันห้าผ่อนทอนสบายแม่เอาแล้วจะหาพระพุทธเจ้าพระนุนไม่ให้เข้าไปพระนุนไม่ได้ก็เป็นบ้าเขาไปหาคุณเจ้าเลยพระุทธเจ้าเห็นไกลนะเห็นว่านางนี้มีนิสัยอยู่ก็บอกเออนนปล่อยเข้ามาเถอะ ที่วัาสุภวิกานั่งฟังธรรมตันนี้ทน ด, ดูไม่ได้มันมันไม่มีเชือกในผ้าเราเนี่ยก็โยนผ้าขาวผ้าสบายอะไรที่เขาห่มมาเนี่ยให้ไปปกห่อกายอะ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าน้องหญิงทักใหรในี่ยเขามาน้องน้องหญิง่งงงได้สติได้สติก็เริ่มพูดคุยกันรู้เรื่องอะ่ะอันนี้เรื่องในอดีต นี่จะเห็นว่าแม้แต่คนใกล้ใกล้บ้านเราจะมีสติอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าได้รับแสงสว่างนี้แพรบเข้าไปเนี่ยอาจจะพลิกเลยกันนะอันนี้คืออนุภาพของมันน ะ, ะนั่นเองที่ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าคือไม่อยากจะให้มองข้ามการเคลื่อนไหวแต่ละขณะซึ่งมันสามารถยี พ, พ่อปูนสติสัญญาได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราโอ้จะต้องปฏิบัติดีเท่าไหร่ถึงจะรู้ไม่ใช่แต่ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์วันนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัวสติสัญญาลงในการเคลื่อนไหวได้เลย ว่านนคนจะช้าหรือจะไวปฏิบัติช้าหรือไวถึงช้าถึงไวมันอยู่ที่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ว่าใครจะเก็บสติสั้นยอดจากการเคลื่อนไหวในะอาการปกติได้มากกว่านักแต่เราตื่นนอนใช่ไหมก็มีการเคลื่อนไหวละบางคนก็ตื่นก็พลุดออกจากที่นอนเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดะแต่พอคนที่ฝึกมาดีแล้วพอตื่นขึ้นมาปับ๊บเริ่มสังเกตการพลิกซ้ายย้ายขวาของร่างกายสังเกตว่านอนมาเรื่คือร่างกายเป็นไง หนักตรงไหนปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนใช่ไหมแก้ไขก่อนสำรวจลมหายใจสำรวจแขนขาที่ถึงนั่นะแ้าบารงนั้นทั้งนั้นแหละ่าชาว่านเพราะนั้นถ้าเราจะมีความเลื่อมใสอย่างสูงยิ่งในการที่จะเปลี่ยนความเคยชินให้เป็นตัวสถิติมนจะต้องทำขนาดนั้นเลยนะมืฉะั้นเราก็ต้องต้องทุกอย่างไปเรื่อย เราก็มาแปลกใจอ้ทงังเราก็ปฏิบัติทำอยู่นะเราก็ท่องรักษาศีลให้ทานทําไมเราต้องมีความฟุ้มีปัญหาอยู่ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ต้นเหตุเลยต้นเหตุมันคือตรงนี้ขาดสติชำยยะเมื่อเราขาดสติชยะปัญญามันจะเกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเวลาปัญหาเกิดขึ้นแก้ทันไหมไม่ทนันแก้ถูกไหมไม่ถูกแก้ไม่ทนันแล้วแก้ไม่ถูกด้วยคุณจะรักษาศีลคุณจะให้ทานไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้า น, นก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่คุณฝึกสถิตย์ย่าให้ถูกต้องเนี่ยไม่เคยรักษาศีลให้ทานเลยคุณก็มีโอกาสได้มีความสูงมากกว่านั้นอีกไม่ต้องเห็อยู่ตรงนั้นเพราะสถิตย์ย่าเป็นเหตุแก่ให้เกิดปัญญาไงแล้วปัญญาเป็นเหตุแก่ให้เห็นปัญหาว่าอะไรควรจะทําอย่างไรแล้วทันเวลาด้วยดังนั้นเองผมก็ยังอยากจะได้คนรุ่นเนี่ยรุ่นดาวินรุ่นปูเนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้เพราะเขาจะต้องใช้ชีวิตไปอีกนานแต่ถ้าเขารู้เรื่องนี้ซะ ก, ก่อนนะเขาจะไม่ทุกข์มากอะ เราคอยช่วยโลกและสังคมได้ขนาดไหนช่วยเพื่อนช่วยฝูงช่วยญาติมิตรสหายญาติพี่น้องได้ขนาดไหนใช่ไหมแต่ถ้าเขาทุกข์กลางคนต่างทุกข์เขาก็บางทีก็เบียดเบียนเราอีกแม่เงินหมดแม่นั้นแม่นี้พ่อเอานั้นเอานี้เพราะเขาก็ทุกข์เพราะเขาไม่มีความสุขเขาต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่เขาฝึกสติปัญญาเขามีความสุขเขาไม่ต้องการอะไรใช่ไหมหรือเขามีสติปัญญาเองเขาก็หาเอ ง, เองช่วยเราได้อีกต่างหาก งานนี้มาเนี่ยมาก็เลยคุยกับวินว่ายัางไงกลับพปนี่ต้องไปช่วยธุรกิจของพ่อบอกโอ้ไม่ไหวผมทนป้าไม่ไหวต้องทนอ่ะพ่อเราอทนป้าไม่ไหวเออทนป่าไม่ไหวเเอพราะฉะนั้นถ้าถ้าหากว่าไม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีนะคุณก็ต้องไปรับใช้ลูกเมียถ้าคุณทนกับลูกกับเมียทุนกับพ่อตายไม่ได้กับคุณทนกับพ่อในอันนันมันง่ายกว่ากันอันไหนมันได้บุญกว่ากัน ถ้าคุณไปทนกับลูกกับเมียไปทนกับอญาติทางเมียที่ไม่เข้าท่าเนี่ยกับทนกับพ่อแม่ของตัวเองอัไรง่ายกว่ากันเราก็ได้บุญด้วยใช่ไหมทนกับพ่อแม่ของตัวเองแต่ทนกับลูกกับเมียบางทีได้บาปอะเดี๋ยวต้องได้ทะเลาะกันได้อมกมายเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้คนรุ่นเนี้ยมาศึกษาเรื่องเนี้ยเพราะมันประโยชน์มหาศาลเลยอะเลยบอกวินว่าพ่อของเรามาจะเลียกทุนไม่ได้ขนาดไหนเธอก็ต้องทนเพราะว่าจะ ทนก็จะเรียนรู้นะธุรกิจของพ่อนี่มายาวนานแล้วธุรกิจตัวนี้ก็ต้องทำไรายได้พอสมควรพ่อถึงไม่ทิ้งใช่เธอก็ไปต่อยอดเท่านั้นเองอเธอก็ไม่ต้องไปหางานอะไรให้ยุ่งยากเนะี่ยอันนี้ก็จะทาให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไดอ้อันนี้คือสติสัมยาเ ม, มันช่วยเราเห็นเกิดความอดทนเกิดการทําใจได้แล้วเกิดการเรียนรู้ มันก็ง่ายขึ้นในชีวิตอะใช่ไแต่ถ้าไปวิ่งธุรกิจตัวใหม่ไปวิ่งงานตัวใหม่โหควรจะเข้าที่เข้าทางเหมือนพ่อเราก็ต้องใช้เวลาอีกไม่รู้กี่1ิปีแหละแต่สืบทอดธุรกิจตัวนี้เลยไม่ต้องไปลงทุนไดเ ล, เลยใช่มหมยมบิก๊กอ่พ่อยสร้างฐานมาดีแล้วเนี่ยลูกก็ต่อเลยซึ่งเป็นทำเมินคนจีนสวยเขาทำงั้นนะเนาะต่อธุรกิจกันเขาถึงได้หาหน้าหลักฐานเขาลารวยไว้ไงเพราะเขาใช่ เวลาเขามาปฏิบัติครั้งนี้เขาไม่เบื่อแล้วเขารู้วิธีออกจากความเบื่อได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ลุ้นไว้ก่อนหนูกันแล้วพ่อจะคอยโทรไปเช็คเลยวันเป็นยังไงอ่าอันนี้คือคือวิธีที่เราจะต้องฝึกนะถ้าหลังั้นเรามาครั้งนี้เป็นอาทินะี่ยโอ้โหเราเสียเวลาเยอะเลยแล้ไม่ได้เราไปลึกเวลานนะเสียเงินเสียทองเสียเวลาต่างหากแต่ถ้าเราได้จุดนี้ไปเนี่ยมันคุ้มอะใช่ไหมคุ้ม <c oughs> ใช่ไม่มีอะไรหน้าหนักใจเลยแล้วก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นใช่ไหมถ้าต้องเอาที่ที่เราฝึกขึนที่ ไ, ไปทํานะทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลอยากจะให้ไปต่อคือเมื่อวานให้พาพิธไปละไอโยคะอ่าชุดหลายชุดอะในนั้นที่ให้ไปเราเอาไปฝึกต่อสมมติว่าฝึกท่วงท่าแล้วครึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็ต่อด้วยเยอไ ข, ขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงรับรองสุขภาพไม่มีปัญหาเลยตลอดอ มันมีหลายชุดเลือกชุดอยากง่ายไปหายากกับไปเลือกใช้เอาก็แล้วกันพอเสร็จโยคะเสร็จท่องท่าแล้วในช่วงที่โยคะท่องท่าเนี่ยคุณดื่มน้ําอุ่นไปได้เรื่อยๆไม่ต้องไปรอให้เสร็จก่อนค่อยดืม่มแล้วน้ําก็อยร้อนมากเกินไปให้อุ่นบางๆถ้าร้อนมากเกินไปมันไปสั่งสมความร้อนในตัวเรามันไปนเหตให้เกิดภาวะร้อนเกินจะมีปัญหาอีกพอพอดื่มน้ําเสร็จ ออกําลังกายเสร็จให้มันจบพร้อมกันพอหลังจากนั้นแล้วก็มันก็จะไล่ละทีนี้ไล่ของเก่าของออกหมดถ่ายหมดมีเท่าไหร่มันถ่ายออกหมดทีนี้พอถ่ายหมดเข้าไปเบรคฟาสส์ใช่ไหมอาหารแล้วพออาหารทีนี้อาหารใหม่เข้าไปทั้งนั้นเลยมันก็เป็นประโยชน์หมดเลยมันไม่ได้ปนของเสียแต่ถ้าคุณไล่ของเก่าไม่ออกของใหม่ไปปนกับของเก่านอะเหมือนกับแกงบูดแล้วคุณไปจักอาหารใหม่ๆใส่คุณกินได้ไหมทถกวยเดียวกันไม่ได้คิดถึงคอนเซปต์นี้ก็แล้วกัน ท้องของเรานะมันมีของเก่าอยู่แล้วกินของใหม่เข้าไปก็ไปปนกันแน่มันก็ไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่อันนี้คือผลของการฝึกสติธรรมะเพราะฉะนั้นบทเรียนในวันนี้ลองไปใส่ความรู้สึกตัวในอบทจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยดูว่าสักได้มากเท่าไหร่อย่าคิดเป็นวันก็แล้วคิดเป็นชั่วโมงก็แล้วกัน คิดชั่วโมงก็ยังไกลไปคิดเปน็นนาทีเลยอนะในนาทีนี่ฉันขึ้นไหวในร้อยในในสิบครั้งเนี่ยฉันรู้ตัวกี่นะ่ะกี่กี่ครั้งไหวไหมปู่ไหวคนหนุ่มไหวแล้วแต่คนแก่นี่ขี่ลิ้มอาจจะช้าไปหน่อยนะอ่านาทีนี่มันมันขึ้นไหวร้อยครั้งฉันรู้ถึงห้าสิบครั้งเนี่โอ้ดมดีแล้วนี่ขึ้นไหวไปร้อยครั้งฉันรู้แค่สามครั้งห้าครั้งนี่ อย่างไกลทีเดียวนะว่าเป็นนาทีเลยแหละเอาสมัยนี้ถ้าหากว่าจะอะไรเก็บอะไรละเอียดต้องแบ่งยูนิตให้ละเอียดนะเขาเรียกดนะิจิตอลเนี่ยแบ่งให้ละเอียดยิบเลยเหมือนกันการเก็บสติก็เหมือนกันถ้าจะให้มันไวนะเก็บให้ละเอียดคนจีนที่เขารวยเขาเก็บเงิเงนเล็กๆน้อยใช่ไหมลงทุนดีห้าบาทสิบาทแต่คนไทยนี่ไม่ไหวพอลงทุนทีและเป็นแสนเป็นล้านประพังก็พั ง, ภ, งภาพทีเดียวเลย แต่ถ้าลงทุนที่ห้าบาทสิบาทมันฟังความค่าห้าสบาทใช่ไหมมันก็มีโอกาสแก้ตัวใหม่อันนี้คือแบบเดียวกันหลักการเดียวกันเพราะนั้นเก็บสติไปทีเล็กๆกันน้อยสมมติจะเปลี่ยนอย่างลูกเนี่ยก็เริ่มจับเลยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่พ่อสังเกตอ้าวหมดเวลาเลิกพุดไปเลยไม่มีใครตามรู้ต่อเลย อออย่างนี้ก็ไม่รู้จ ะ, ะยังไงก็เรียกว่าตัวใครตัวมันก็เลิกกันนะแต่ต่อไปนี้หลวงพ่อจะคงจะไม่ค่อยยอมแล้วเพราะหลวงพ่อเสียเวลามาเยอะแล้วจะต้องเก็บตั้งแต่วิธีการดุกกันเดินนะเก็บให้มากให้สุดเท่าที่จะมากได้นะแต่ก็ไม่ถึงกับกดเกรงเพ่งจ้องซอจนเครียดไม่ใช่อย่างนั้นนะคือทําให้เป็นธรรมชาติส บ, สบายๆยมบิ๊กก็ลงทําได้แล้วใช่มไหมมาวันนี้ดีขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมหน้าตามีม ม, มีน้ํามีเนื้อหน้าตามี มีเลือดมียางขึ้นมาแล้วใช่ไหมมีชอยที่ดีนะเทราะนั้นก็คิดว่าไม่เสียเวลาลรามางานนี้จะหนักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปหลงพ่อขอเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะ